แลเป็นจึงพึ่งของนตนเพราะการที่จะพึ่งตนเองได้ก็ต้องอาศัยการกระทําประกอบนะการกระทําประกอบให้มันเกิดให้มันมีขึ้นด้วยการฝึกด้วยการกระทำโดยเลี้ยวยางโดยการที่จะมาทําสตินั้นให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราเพราะอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับใจนั้นถ้าเราไม่รู้ถ้ารู้ทันแล้วมันล้วนแต่จะนําทุกข์นำโทษนําภัยมาให้ตัวเรามากมาย เพราะว่าความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความหลงก็ดีมันอาศัยความคิดเกิดขึ้นอาศัยความนึกการปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแต่ถ้าใจไม่มึกไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งมันก็ไม่เกิดแต่ใดเมื่อใจปรุงแต่งไม่คิดมามันก็เกิดพอมีเหตุเกิดมันจึงเกิดไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดทั้นเมื่อเรามาฝึกสติฝึกปัญญาฝึกความรู้ให้รู้เท่ารู้ทันอยู่ทุกขณะทุกขณะแล้วเนี่ย มันก็เกิดขึ้นไมได้แล้วพอตาได้เห็นสติก็เข้าไปทหน้าที่หมดรู้ทันหูได้ยินเสียงสติก็เข้าไปกำหมดรู้ทันจมูกได้กลิ่นสติก็มาก่อนกำหนดรู้ทันลิ้นได้รับรสอาหารสติก็มาก่อนรู้เท่ารู้ทันกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ตามสติต้องมารู้สึกก่อนรู้เท่ารู้ทันแม้แต่ความนึกคิดที่มันจะเกิดขึ้นกับปิกใจ พอเริ่มนึกหรือดำริขึ้นมาสติรู้ทันก่อนว่าสิ่งที่เราดำริอยู่นั้นเป็นจิตเป็นเลือกุศลเป็นกิเลสหรือเป็นสติเป็นปัญญาเป็นศีลเราก็สามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันได้กับจิตใจของเรารู้จิตรู้ใจของเราเพราะฉะนั้นสตินี้จึงต้องรู้อยู่อรู้อยู่ทุกขณะมาก่อนทุกขณะในขณะที่ผัดจระทข้ตาหูจมูกลิ้นกายใจสติต้องทําหน้าที่รู้เท่ารู้ทันก่อน แต่ถ้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม่รู้ะความหลงก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นตัวอวิชชาเป็นตัวไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ปรุงก็แต่งนึกคิดเป็นไปตามหลักของปฏิกิรสมุขปาทในฝ่ายที่เป็นฝ่ายเกิดเมื่ออวิชชาเกิดขึ้นก็เป็นเหตุเป็นตัดใจเพราะความไม่รู้ก็ขึ้นเป็นเหตุปัจจัยเกิดการปรุงแต่งเป็นสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดปิญญาปีญญาเป็นปัจจัยเกิดนามรูป นามรู้ปัจยเกิดชราจต น, นะผัสสะโดยธนาตันหาอุปาทานทพบชาติเกิดขึ้นมาแล้วเนื่องมาจากไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะไปรู้เท่ารู้พันต่ออารมณ์ที่มากระทบสัมผัสทังตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่สามารถที่จะรักษาทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจให้หยุดเป็นปกติได้เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์แหละทีนี้ในฝ่ายสุขก็พะย่ะก็หลงเพลินเมาหมกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุข สุก็ดีทุกข์ก็ดีที่เป็นอารมณ์ของโลกิยธรรมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับปิดกับใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจเราผิดปกติไม่เป็นปกติความดีใจก็ตามความเสียใจก็ตามความรักความชังความโกรธความเกลียดความปิติชาพยาบาทต่างๆที่มาเกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ใจผิดปกติเมื่อผิดปกติแล้วใจก็ฟูเมื่อสิ่งที่ชอบใจใจก็ฟูขึ้นเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบใจใจก็แฝงลง ใจนี้เป็นกลางไม่เดินสายกลางเมื่อมันฟูมันแทบอยูอย่างนี้แล้วมันก็เป็นสุดเป็นทุกเป็นสุดเป็นทุกตกนรกขึ้นสวรรค์กันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราหวังหวังต่อพระนิพพานหวังต่อความสงบหวังต่อความเย็นแล้วเนี่ยจําเป็นนะที่จะต้องมาเจริญนะเจริญกรรมาฐานมาปฏิบัติธรรมทั้งสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเลือยงแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้จิตใจของเรานั้นได้เกิดความสงบความรังงับความเบาบางจากกิเลสที่มันจะถึงเกิดขึ้นกับจิตกับใจด้วยการมารู้เท่ารู้ทันจิตรู้ทัทนใจราว่าพระบรมศาสดาสัมมาทิสตรเจ้าทรองค์ทรงสอนศาสนานั้นก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้จักกับตัวเองเห็นตัวเองเห็นจิตเห็นใจตัวเองที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะขณะนี่เองถึงจะแสนฝืนสมาธิตัญญ า, าก็แสนพระเจ้าจะให้มา รู้เท่ารู้ทันต่อกิเลสเพื่อมาดับกิเลสมารู้จักกับความทุกข์ที่มันเป็นอยู่ในการในใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นกับกายกับใจน่ะให้รู้เท่ารู้ทันความทุกข์เพราะทุกข์นั้นเป็นปัญหาใหญ่ของเราทั้งหลายทุกท่านเป็นปัญหาที่เราต้องแก้กันอยู่ทุกขณะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะสังขารร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ตามสภาพทุกข์เท่านี้ยังไม่พออีกมันจะมาทุกข์ เพราะอุปาทานมักความยึดมั่นถือมั่นเพราะความคิดบงกางอีกมันหลายซับหลายซ้อนเลือเกินความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกจากร่างกายที่มันมีเที่ยงมันแก่มันเจ็บมันตายมันป่วยเนี่ยมันเป็นทุกข์หนักอยู่แล้วที่ทุกข์เพราะการเอประกอบอาชีพการหาเลี้ยงชีพนี่ก็ทุกข์เหนื่อยยากอยู่แล้วยังมาทุกข์ในทางด้านจิตใจเพราะความไม่เข้าใจความไม่รู้จักจิตจากใจนี่ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก ทั้นความทุกระหว่างพระอริยเจ้ากับความทุกระหว่างปุถุชนเนี่ยในทางด้านร่างกายนั้นมีเหมือนกันหมดร่างกายของพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านก็มีความทุกข์มีความเจ็บป่วยเหมือนกับเราสังขารร่างกายเราก็มีสภาพที่เหมือนกันหมดแต่ว่สภาพจิตใจของผู้เป็นอริยที่ผู้ที่หลุดพ้นไปจากกิเลสแล้วนั้นจึงแตกต่างจากเราแตกต่างกับเราพระใจของท่านไม่มี ความยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ยึดมีควาทาในสังขารท่านเห็นสังขารร่างกายก็เป็นเพียงสักวัฏธาสักวัฏธรรมเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นอนุจังทุกข์ักอนัตตาไปแล้วท่านเห็นองท่านอย่างนั้นไม่เห็นเหมือนอย่างกับเราคือยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกายนี้อะไรเจ็บป่วยขึ้นมาก็ยึดถือเป็นทพกิดไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นส่วนร่างกายในส่วนที่เป็นภาพเป็นธรรมจึงเป็นทุกข์อย่างนั้นเพราะนั้นท่านจึงไม่มีทุกข์ในทางด้านจิตใจแต่เราต้อมีทุกข์อยู่สองส่วน ทุกทางกายยังไม่พอยังมาทุบในทางด้านจิตใจอีกเพะนั้นเราทั้งหลายจริงมาดับทึกขอ่ะคือมาดับทุกขในทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายนั้นเราไม่สามารถที่จะแก้ไขให้มันหมดไปได้เราก็ต้องอาศัยบําบัดอยู่ในขณะปัจจุบันเมื่อมันร้อนขึ้นมาก็หาน้ําหรือหาที่เย็นๆ เ, เข้าไปอยู่เมื่อมันหนาวจัดขึ้นมาก็หาผ้ามาห่มเมื่อมันหิว พอเอาอาหารมารับประทานเมื่อมันก็หายก็ดื่มน้ําเมื่อมันเหนเห็ด เ, ห น, นเนหนื่อยก็หยุดพักเมื่อมันทายปวดนักปวดเบาแล้วก็เรวจทําตามหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่นี่คือการาชําระทุกทางกายว่ามันเจ็บปวดก็เยียวยารักษาโดยหยุดยาแก้ไขกันตามถูกตามปัจจัยเมื่อมันถึงความตายมาถึงก็เป็นเรื่องของมันแล้วเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขมันได้แล้วฉะนั้นความทุกข์ทางกายนี้จึงมีเส ม, มอกัน ร, ระหว่าง พระเจ้ากับเราปู้ดิชนแต่เรื่องของจิตของใจนั้นมันจริงเป็นสิ่ที่แตกต่างและห่างไกลกันอยู่มากอะไรจะขึ้นกับจิตกับใจแล้วเรามีแตแต่างกันทั้งนั้นทุกกันทั้งนั้นทั้งเราจริงต้องมาแก้ไขผัความเข้ า, ลลาใจในสังขารทั้งสองส่วนคือเห็นสภาพสังขาร น, นั้นทั้งสองส่วนตามความเป็นจริงสังขารใน้่วนด้านร่างกายก็ต้องมองให้ทะลุมองให้ผุโปร่งมองให้เห็นแจ้งว่ า, ม, ามันเป็นอะไรมันเป็นอนุจังอย่างไรมันเป็นทุก ข, ข์ังอย่างไรมันเป็นอนัตตาอย่างไรก็ต้อง ทง่งความรู้ความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งแล้วก็สังขารในทางด้านจิตใจไปเช่นเดียวกันสังขารในทางด้านจิตใจหมายถึงการปรุงแต่งการนึกการคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาจิตใจเนี่ยเมื่เกิดขึ้นกับใจแล้วมันก็เกิดมัน ก, นกด็ดับทั้งมันอยู่อย่างนั้นทำการมาดูสังขารที่ปุงแต่งอยู่ภายในคือเห็นอารมณ์ความนึกคิดการปรุงการแต่งที่มันเกิดเกิดดับดับอยู่นั้นน่ะถ้าเรามารู้ทันมันให้รู้เท่ารู้ทัน มีสติคอยกำหนดรู้อยู่ว่า ม, มันตาได้เห็นหูได้ยินอะไรก็ตามในอญญายณะทั้งห้าประการเนี่ยทั้งหกประการเนี่ยก็พยายามที่จะคอยดูจิตที่มันจะรวงจะแต่งมันจะบัมบิอะไรขึ้นมาคิดอะไรขึ้นมาคอยรู้เท่ารู้ทันคอยสติคอยจับดูจิตเองเฝ้าดูจิตดูใจคอยสังเกตจิตใจสังเกตอยู่โดยวัยเวลาที่มันรวงแต่งมาเป็นสึกไหมเวลาที่มันรวงความโกรธขึ้นมาเนี่ยความไม่พอใจความอิดชา้าความพยาบาท ความเกลียดชังกันขึ้นมาเนี่ยจิตใจเป็นสึกไหมยั่นแหละสังขารมาเกิดแล้วมันสังขารในส่วนที่เป็นอกุศรในส่วนที่เป็นบาปในส่วนที่เป็นกองทุกข์เกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่รู้เท่าทันไรก็ไปยุดติ่นั่นแหละม mm hmm. ันหนักมาแบกมแบกอารมณ์แบกนามขันแบกรูปรขันเป็นทุกข์เพราะมีสติอยู่นี่จริงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติ mm hmm. ที่ถูกต้องแล้วในการที่จะรู้เท่ารู้ทันศึกษาเรื่องสังขารทําความเข้าใจ เพราะในบาลีท่านกล่าวไว้ว่าสัพเพสังขาราทิจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกทำทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นตัวเป็นเตนดัะนั้นให้เรามาเอทําความเข้าใจทางความรู้ในการปฏิบัติธรรมคือให้เห็นกายตามความเป็นจริงให้เห็นจิตตามความเป็นจริงจิตแท้ๆนะเป็นจิตที่ไม่มีทุกจิตที่ไม่ทุกไม่สุข ในสภาพที่เป็นปกติเป็นภาตุรู้อยู่นั่นให้เราอยู่กับตัวนั้นเกิดสตินั้นพยายามที่รู้อยู่กับตัวนั้นไอตัวที่เกิดใหม่ตัวสังขารเนี่ยพยายามที่คอยรู้เท่ารู้ทันมันเมื่อมันจะเกิดขึ้นมาก็รู้ทันอ๋ อ, อสังขารเกิดขึ้นแล้วปรงแต่เกิดขึ้นแล้วทุกเกิดขึ้นแล้วก็พยอยามคอยดูเมื่อดูก็อยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆจะเกิดความชนานาญเกิดความเข้าใจเกิดความรู้ในสังขารเหล่านั้นขึ้นมาเห็น ความรักก็ดีความชังก็ดีความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีความโลภความโกรธความหลงความหลงก็ดีที่เป็นฉันขานก็ขึ้นกับใจแล้วเกิดแล้วดับเกิดแล้ดับไม่ใช่รูปไม่ใช่นามที่เป็นของแท้ของสิ่งมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังเป็นตัวประสิทธิ์ที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อภายหลังไม่ใช่จิตเดิมแท้ไม่ใช่จิตที่เป็นตัวทุตละฉะนั้นการเจริญสตินั้นต้อง มาทำความรู้สึกให้มันติดต่อนะในฝ่ายที่เป็นร่างกายก็ดีในฝ่ายที่เป็นจิตใจก็ดีทั้ง 2, สองส่วนนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าอะไรคือรูป อ, อ, อะไรคือนามทำความเข้าใจนี้เป็นเบื้องต้นเช่นก่อนสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่ว่าสิ่งนี้คือรูปคือสิ่งที่ดังเคลื่อนไหวไปมาคู่เดียดทําหน้าที่อยู่นี้คือรูปสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ภายในคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้คือนามบรู้ในสิ่งที่เป็นสองสิ่งเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว หลักนับปฏิบัติแล้วสิ่งต่างๆก็มันจะค่อยรู้ชัดค่อยรู้ทะลุัวเองเมื่อรู้สิ่งสองสิ่งเนี่ยคือรู้รูปรู้นามดูรูปดูนามดูสิ่งสองสิ่งนี้นามมาจงกความรู้สึกที่เป็นรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่สุขไม่ทุกนะความรู้สึกที่เป็นธรรมชาตินี่แหละเลิกนามมาทำรูปธรรมก็เดกเกิดร่างกายเมื่อรู้สองสิ่งท่านี้ก็แบบสองสิ่งเพียงเท่านี้แหละตาเห็นรู้สึกเป็นรูปเป็นนามหูได้ยินรู้สึกเป็นรูปเป็นนาม จะมองได้กลิ่นรู้สึกเป็นรูปเป็นนามกายสัมผัสคือลิ้นได้ลิ้นและอาหารเป็นรู้สึกเป็นรูปเป็นนามใจเมื่อคิดเป็นรูปเป็นนามเห็นรูปเป็นนามนี้นะตามความเป็นจริงนะแล้วจะเข้าใจอันนี้จังทุกขังหน้าตานั้นเป็นสิ่งที่ช่างรู้เข้าใจในส่วนที่เป็นเรื่องสูงต่อไปอีกแต่อารมณ์แรกๆนี้ก็เอารูปนามเป็นอารมณ์ในความรู้สึกอยู่กับรูปกับนามเนี่ยเป็นอารมณ์ยืนรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกเอาความรู้สึกอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติ อารมณ์ที่อดูที่ร่วงไปแล้วก็อย่าไปพวงนึกคิดกับเรื่องที่มันร่วงไปแล้วอดูที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปจะเป็นดีก็ตามไม่ดีก็ตามที่มันระลึกรู้สึกขึ้นมาก็พยายามที่จะตัดเปลีอยนเราอย่าไปพวงอย่าไปยึดเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปพวงแต่งให้มันยืดยาวในขณะใดที่ตาเราเห็นหูเรายินอยู่ในขณะปัจจุบันหรือจุดที่มันนึกคิดอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะสังเวยระวัง คอยรู้เท่ารู้ทันต่ออารมณ์ต่างๆที่มันจะพึงเกิดขึ้นเพราะกิเลสนะั้นมาเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนี่แหละอดีตกิเลสที่เป็นอดีตมันก็ดับไปแล้วกิเลสที่ในอนาคตยังไม่เกิดก็ยังไม่มีแต่ปัจจุบันนี่เราสามารถจะรู้ได้เห็นได้ด้วยกันทุกคนญาติโยมก็รู้ได้เห็นได้ในขณะที่เรามีความรู้สึกอย่างไรมิติอย่างลงรู้กายรู้จิตเห็นกายเห็นจิตมันฟุ้งซ่านไหมมันลาคานไหมมันอึดอัดไหม มันปวดหนักปวดเบา้วเป็นทุกมากไหมอยากจะลูกเป็นทุกไหมยนี่คือการศึกษาในสิ่งที่เป็นของแท้ของจริงรู้ได้ที่สุดได้เห็นได้เป็นปัิจจตังรู้ได้เฉพาะตนเห็นสิ่งนี้รู้สิ่งนี้เข้าใจสิ่งนี้เห็นได้โดยกันทุกคนเมื่อมาศึกษาเมื่อมาปฏิบัติเพราะธรรมะนั้นเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ถึงปฏิบัติแล้วสามารถรู้เข้าใจได้จริงแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ในทางด้านจิตใจของเราได้จริงเมื่อเรามพุทธปฏิบัติตามให้เกิด สติเกิดปัญญาเกิดสีสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ได้ดับได้ก็การกระทําที่ถูกที่ตรงตามหลักธรรมคาสอนฉะนั้นหลวงพ่อเพียรจิตติพุทโธเนี่ยท่านจึงเป็นผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติตนเองมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนท่านได้มารู้มาเข้าใจวิธีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์จึงได้เอาวิธีการที่แนวทางที่ท่านรู้ทั้งเข้าใจเนี่ยมาบอกแต่ลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่มีศรัทธาในการปฏิบัติตาม และผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามก็เกิดความรู้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจและทําให้ความทุกข์ต่างๆที่มันเคยหนักแน่นอยู่ในจิตปใจนั้นได้เบาบางฤทธิลัดมันออกไปตามกําลังสติปัญญาและความสามารถของแต่ละบุคคลแต่ละท่านบางท่านมีความเข้าใจมากรู้มากก็สามารถปลดเบื้องดับความทุกข์ในทางน้าจิตใจได้มากแต่บางท่านมีความรู้สึกน้อยมีความเพียรน้อยมีความพยายามน้อยมีสันธาน้อยก็ดับทุกได้ตามความสามารถของท่านฉะนั้นเราทุกคนทุกท่าน ต่างก็เป็นผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในศ า, าสนาหรือเชื่อมั่นในวิธีการปฏิบัติแล้วพยายามที่จะมีความตั้งใจมีความพยายามในการที่จะปลาระความเพียรทําหน้าที่ของเราในการที่จะมาทําความรู้สึกตัวเพื่อพร้อมในทุกขณะมาสมรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและสํารวมถึงจิตใจเมื่อมันจะนึกจะคิดอะไรขึ้นมาก็พยายามที่จะเป็นผู้ที่ยสติคอยรู้เท่ารู้ทันในการประกอบความเพียร ในขณะที่เราทําความเพียรนั้นอาจจะเกิดอุปสรรคหลายอย่างสั้งที่จะมาขัดขวางความรู้ตกกังวลความสงสัยลังเลความม่วงเหงาหานอนรรความชิดที่ปรงแต่งในฝ่ายที่ไม่ชอบใจไม่พอใจอาจจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มาเกิดขึ้นกับจิตกับใจแล้วก็พยายามที่จะหาอุบายในการที่จะแก้เมื่อมันเกิดความม่วงนอนขึ้นมาก็หาวิธีแก้โดยตัวเองด้วยการทําอริยบทให้มันเข้มแข็งขึ้นคือสลัด มือสลับแขนสลัดเท้ามันตื่นขึ้นมาเมืม่อมาเกิดความสงสัยลังเลก็พยายามที่จะทําความรู้สึกให้มันชัดเจนขึ้นมาอยู่กับความรู้สึกเพียงอย่างเดียวยกมือขึ้นเอามือลงกดมือเข้าเอามือออกพยายามให้มีความรู้สึกที่ติดต่อเป็นขณะขณะปรยุกก็รู้สึกวางลงก็รู้สึกให้มันรู้สึกอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อเราดูกายอยู่บ่อยรู้สึกอยู่กับกายอยู่บ่อยๆเราก็จะเห็นอาการหรือเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นปรากฏเกิดขึ้นแน่นอน เพราะกายกับใจนี้เป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันเกิดขึ้นด้วยกันดับด้วยกันนามรูปทําหน้าที่เกิดดับอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็จําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่ของเราเจ็วันนี้เราสามารถที่จะรู้เข้าใจได้ถ้าหากว่าเรามีความเพียรติดต่อทําความรู้สึกตัวติดต่อและผู้ที่มีอารมณ์ที่รู้บ้างแล้วก็จะสามารถทําให้รู้ชัดแจแจ้งขึ้นไปอีกหรือทําทำที่ยังไม่แจ้งนะให้แจ้งขึ้นไปอีกคือรู้ชัดเข้าไปอีก เพราะฉนั้นการปฏิบัติของเราทั้งหลายที่จะบรร ล, ลุความสำเร็จได้ก็ตรงที่ว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ไม่ดื้อค้านพยายามหมัน่นปลดล็อกความเพียรเป็นผู้ที่พยายามที่จะมีสติระลึกรู้สึกตัวทุกพร้อมในทุกขณะได้ละทิ้งหน้าที่ของเราเนในการที่จะเจรินกรรมาฐานมาดูจิต ด, ดูใจชำระจิตชำระใจของเราหากว่าเราสามารถรู้เท่ารู้ทันจิตใจได้แล้วกิเลสต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตใจนั้นมันก็จะค่อยเบาบางหรือห่างหรือค่อยหมดไปขึ้นไป ด้วยยานด้วยปัญญาด้วยสติที่เราฝึกอบรมให้มันเกิดให้มีให้เป็นขึ้นในตัวของเราเองเอาวันนี้ก็ได้กล่าวแสดงให้ข้อคิดแต่ยถาติฏฐิ ท, ทั้งหลายมาก็เห็นเวลาที่สม ค, ควรก็ขอจบไปว่าการบิบัติกรรมฐานนั้นคือพยายามที่จะสังรวมระวังตาหูจมู ก, มกลิ้นกายใจให้มีสติระลึกรู้สึกในขณะที่กระทบสัมผัสกับอารมณ์ให้มีสติรู้เท่ารู้ทันจิตใจมันจะนึกจะคิดอะไรขึ้นมา ก็พยายามที่จะมีสติคอยกำหนดรู้เพราะสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นั้นย่อมมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติฉะนั้นก็ขอให้ความตั้งใจของเราทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมากระทําพร้อมเพียงกันตั้งเจ็ดวันนี้ก็ขอเราทั้งหลายจงบนลุหรือเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองสามารถดัดทึกกับปิดใจตัวเองและทําสิ่งนั้นให้ตื่นให้เป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอม